ขอความสุขความเจริญจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากหมหาวัฒนายศีวธุมในวันนี้คงพูดเรื่องจตาสูตรสืบต่อไปเป็นนยะของพระพุทธภาจิตที่พูะเจ้ารับสั่งตอบคำถามของเทวดา ที่มากราบถูดแล้วก็เป็นเหตุนำไปสู่การอธิบายขยายความออกไปเป็นคำพีระดับโลกนะเรียกว่าประกรณ์พิเศษชื่อวิสุทธิมัตตซึ่งก็เป็นหลักสูตรที่ใช้เรียนในพท .8 แล้วก็ไปแปลกลับ คือแปลเป็นไทยในปทาแสดงว่าเป็นหนังสือที่แพร่หลายมากในโลกพระพุทธศาสนาคือวิสุทธิมรรคกับพระธรรมบทแล้วประที่แปงทวิบเบเซียมีสามเล่มเนี้เยเผยแพร่อยู่มากจำนวนพิมพ์ก็คงจะเป็นหลายล้านแล้ว หรืออย่างเบาๆก็เรียกว่าหลายแสนวันก่อนเราพูดถึงคำว่าชัดที่เทพบระบุใช้เรียกชื่อตัญหาคือการมาตัญหาตัญหาในกามหมายความว่าเป็นตัวข้างในและเป็นตัวข้างนอก ข้างนอกเราเรียกว่ากิเลสกามไม่ใช่ข้างในเนี่เราเรียกว่ากิเลสกรรมคือในใจเราเนี่เรียกว่ากิเลสกรรมข้างนอกเราก็เรียกว่าวัตถุกรรมกิเลสก ร, รมแปลว่ากิเลสเป็นเหตุให้ใคร่แต่ถ้าเรามองดูที่จิตเราเวลาเรามีตัณหาเช่นสมมติว่าเรามองที่อะไรสักแห่งหนึ่ง น, นะคร มองที่ตู้โชว์ขายของก็ได้รเราเห็นอาการของการมาตั์หากับภาวะตัณหาวิภวะตัณหาเนี่ยมันมันแยกกันทําหน้าที่ภายในจิตของเราอันนั้นชอบอันนั้นไม่ชอบอันนี้ต้องการครอบครองเพราะฉะนั้นอาการชอบบางชิ้นเนี่ยมันก็คือการมัตั์หาในตัวสิ่งนั้น ชอบจนขนาดอยากจะเป็นเจ้าของครอบครองจนถึงตัดสินใจซื้อเนี่ยมันก็เป็นภาวะตัณหาด้วยแล้วก็เป็นการมาตัณหาด้วยแต่ว่าคนขนาดจิตกันนะทีนี้บางอย่างไม่ชอบอาจจะมีการเสนอบอกกล่าวจากเจ้าของร้านดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เราไม่ชอบก็เป็นวิภาวะตัณหาแต่ในขณะที่เราไม่ชอบเนี่ยจริงๆก็เรารู้สึกชอบอันอื่นคืออันนั้นเราไม่ชอบ มันจะเห็นว่าอาการของกิเลสเนี่ยเขาเปลี่ยนอยู่ภายในจิตเราเแต่ทั้งหมดแล้วก็เป็นเรื่องของความหลงคือมันสืบเนื่องมาจากหลงพราะถ้คนเข้าถึงความจริงให้เราสังเกตว่าเขาไม่ต้องการครอบครองอะไรเลยพวกวัตถุกรรมเนี่ยเพราะก็รู้ว่าครอบครองไม่ได้มันเป็นสมบัติของโลก มันเป็นได้แค่ปัจจัยเครื่องอาศัยในการดำรงชีวิตให้ความสะดวกสบายแก่เราเท่านั้นแต่ถ้ามากไปมันก็ไปสร้างความวิตกกังวลห่วงใย ห, หวาดระแวงจนถึงก็กลัวเพราะอะไรก็ตามที่เราครอบครองเนี่ยใจเราไม่สงบปั๊บคือ มันมีความหวงมีความข่วงแล้วก็มีความกลัวมีความมิตกกังวลมีความบาดระแวงเป็นอาการที่คนไทยเคยพูดว่านะมีทองถนดกุ้งนอนสะดุ้งยเยือนไหวเพราะตัวทองเนี่ยมันเป็นวัตถุกรรมจิตเราไปให้ความสำคัญแก่ทองพาเรามีทองน้อย เพาจิตใจจะไม่นิ่งจะไม่สงบมันมีหวงมันมีห่วงมันมีวิตกมันมีกังวลมีความกลัวมีความบวาดระแวงจนบางครั้งก็มีอาการสะดุง้งเกิดขึ้นภายในจิตรอนที่ท่านใช้คำว่าท่าาไม่ใช้เทพบุตรก็ใช้คำว่าชัดเนี่ยแปล ว, ว่ารกมาความมารกทั้งภายในแล้วก็รกทั้งภายนอก เพราะอะไรภายนอกมันมีวัตถุกรรมอยู่เยอะเต็มไปหมดเลยนะทุกคนทุกแห่งยิ่งในกระแสของโลกาภิวัตเนี่ยวัตถุกรรมมันเข้ามารอบที่รอบทางเลยเราไม่สามารถจะหลบเลี่ยงอะไรพวกวัตถุเหล่านี้ได้เพราะแนวตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนไว้ระดับศีล แล้วในชั้นศีลเองเนี่ยมันจะมีความประนีตขึ้นไปโดยลำดับในชั้นแรกก็อย่าถึงกับตามใจกิเลสเกินไปอย่าแรงเกินไปอย่าโลภจนถึงกับไปละเมิดสิทธิในทรัพย์สินในคู่ครองของบุคคลอื่นเราถ้าเรียงตามกิเลสแล้วจะเห็นว่า ไอ้การมาตัญหาของคุณน่ะมันยะแรงจนถึงกับไปล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอื่นคู่ครองของบุคคลอื่นตลอดถึงการเป็นคู่ครองในบางทีมันก็เป็นภวะตัญหานะคืออยากเป็นเจ้าครอเจ้าของครอบครองใช่เองก็แบบโทศกัณฐ์ไปแย่งนางสิดามาเนี่ยมันเกิดจากการมาตัญหาเกิดจากภวะตัญหา ถ้าจะโกรธก็อย่าถึงกับประทุษรายชีวิตประทุษรายทรัพย์สินเขาสร้างความเดือดร้อนในแก่เขาถ้าจะโง่ไปบ้างหลงไปบ้างไม่เข้าใจไปบ้างก็อย่าถึงกับงม ง, งายร้ายเหตุผลมากเกิดไปตรงนี้จะไม่พูดเรื่องเรื่องกิเลสนะฮะแต่จะพูดเรื่องศิน สีนจึงกลายเป็นเครื่องสกัดกัน้นไม่ให้อาการรกข้างนอกเนี่ยมันปิดบังเหตุผลสติปัญญามากเกินไปเพราะว่าใจเราเกิดสางข้างในพอสีลก็ปรากฏนิงมกิเลสมันจะลดนะฮะเทิ่งฟัลองสังเกตว่าถ้าเรารักษาสีลเคร่งครัด มันก็เห็นของก็วางไว้เกิดอยากได้เนี่ยแต่ไม่ถึงกับไปหยิบถ้วยเอาเพราะกลัวจะผิดศีลบางทีก็โดนท้าตีท้าต่อยคงปูกุคามรุนแรงเราอยู่ในฐานะที่จะโต้ต่อะ ไ, ไรได้แต่ก็ไม่กล้าทำเพราะกลัวบาปกลัวจะขาดศีลข้อที่หนึ่งบางทีก็อาจจะ น่าจะโกหกแล้วก็รอดตัวแต่ก็ไม่กล้าทำเห็นไหมว่ากิเลสมันลดออมาเราไม่พูดเรื่องกิเลสเลยแต่กิเลสมันลดแล้วเพราะนั้าบใดศีลยังมีอยู่เนี่ยกิเลสจะไม่ฟูกขึ้นจนถึงกับบังคับกายบังคับวาจาให้ทำผิดแต่ข้อสำคัญว่าศีลต้องอยู่นะฮะเพราะเวลาทำท่านยังเรียกว่าขาดศีน คือศีลต้องขาดไปก่อนแล้วเราจึงทำเพราะเจตนาในการสำรวมระวังไม่ล่วงละเมิดเนี่ยมันดับเขาไม่อยู่แล้วในทีสุดก็ออกไปเป็นเจตนาฆ่าเป็นเจตนาลักเป็นเจตนาล่วงละเมิดในทางเพศเพราะเราจะเห็นว่ า, าพูดเรื่องศีลโดยไม่พูดเรื่องรกเลย แต่ว่ารกเนี่ยสีเนี่ยมันจะทำลายไอ้สิ่งที่รกเหล่านั้นเทวดาประสงค์ในที่นี้ประสงค์ที่ตัณหามันก็ลดความรุนแรงของตัณหาเพราะว่าจริงจริงตัณหาเนี่ยบางครั้งท่านเรียกว่าวิสัตติกาคือมันสายไปมันเล่นไปเล่นไปจนยุ่งหมดอ่ะอันนั้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้นอกก็อยากได้ วันก่อนไปงานเผาศพญาติกจริงก็ไม่รู้จักกันหรอกเราก็มีศักว์เป็นลูกของป้าป้าเองก็ไม่รู้จักนะฮะแต่รู้ว่าเป็นป้าแล้วก็ไปเผาก็เผาเสร็จก็นั่งก็เป็นเพื่อนศพอยู่นานประสมควรก็เห็นเขาโรยสตางเพื่อให้แย่งกันนะ เป็นธรรมเนียมของท้องถิ่นเขาเรายัางนึกว่าเออคนเนี่ยมันที่จริงเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเงยดูเมื่อมันลงมานะเพราะว่ามันก็ต้องลงมาแหละถึงจะหยิบได้จะเงยขึ้นดูถ้ามันถูกตารักทีจะทำยังไง เราก็ดูว่าสตางมันก็อย่างเหรียญบาทย่งมากก็เหรียญห้าบาทตอนนั้นเองนี่คือพอตันหาแล้วเนี่ยมันหน้ามันมืดมันไม่ได้คิดอะไรมันคุ้มกัหรือเปล่าถ้าเกิดสตางมันหล่นเข้ามาและถูกตาเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่าหรือเงยขึ้นดูอ่คุณก้มอยู่ด้านแหละมันมาเองมันตกลงมาเอง นี่ก็คือคือเป็นอาการที่เราเห็นชัดว่าพอกิเลสมันเกิดแล้วไอ้โมหะเนี่ยมันเกิดตามพิจริงโมหะก็เป็นเหตุที่มันเกิดนะฮะพระพระเจ้าก็ทรงแสดงในเรื่องศีลเอาไว้ทีนี้ก็เราก็มาทำความรู้จักไก่ประเด็นตรงนี้ที่เทวดาตั้งึ้นมาก่อนนะครับ เทวดาบอกบอกว่าพราะเกิดขึ้นในบริขารของตนและบริขารของบุคคลอื่นคือหมายความว่าตัณหาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในของตนคือก่ออาการยึดติดต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะมีความเป็นอุปาทานมากกว่าตัณหานะถ้าเราครอบครองแล้วเนี่ยมันจะเป็นอุปาทานมากกว่าตัณหาแต่ของคนอื่นเนี่ยมันจะเป็นตัณหามากกว่าอุปาทานเป็นคนละขณะจิตกัน หมายความมือของของคนอื่นเราก็อยากได้พออยากได้แล้วเราก็ยึดไว้อ่ะเขาเรียกว่าอยากยึดอยากแล้วยึดอยากแล้วได้ได้แล้วยึดยึดแล้วก็จะนําไปสู่กรณีพิพาทต่างๆมีการป้องกันมีการราาักขามีการขัดขวางมีการทะเลาะวิวาสอะไรๆ ต, ตามมาเป็นแถวเลยเพราะงั้น ท่านจึงบอกว่าในอัตภาพของตนและอาตภาพของบุคคลอื่นทางยัตนาภายในและยัตนาภายนอกคือประเด็นตรงนี้ท่านผู้ฟังได้โปรดสังเกตนะคือบางทีพระตักษาอาจารย์ท่านใช้คําพุ่งเฝื่อยอที่จริงมันหมดแล้วบริขารของตนบริขารคนอื่นก็หมดแล้ว หรืออัตภาพของตนอัตภาพของคนอื่นก็หมดแล้วเพราะว่าอายตนะมันก็อยู่ที่อัตภาพนั่นแหละเออแต่ท่านก็แยกทำไมแยกล่ะคือมันเกิดว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยหรือแม้แต่สัตว์กำหนดความชอบของตนไว้บางคนนี่เขาเรียกว่าร่วบถือรือถือโดยนิมิต รวบถือไปเลยคนคนนี้สวยหนุม่มคนนี้หลอ่อรถคันนี้งามบ้านคันนี้งามบ้านหลังนี้งามอะไรต่างๆเนยรียกว่ารวบถือเอาเป็นชิ้นเลยแตาคนแยกถือนะคนนี้ตาสวยคนนี้ผมสวยคนนี้ปากสวยอะไรต่างๆกว่ากันไปพันธุนต้องการให้ดูทั้งหน่วยที่บรรรวมกันอยู่ แล้วก็หน่วยที่แยกกันอยู่ที่ต้องฟังก็ได้ฟังมหาสติปัฏฐานสูตรก็โดยสรุปนะฮะมาแล้วคือเราเห็นว่าในมหาสติปัฏฐานสูตรนั่นเองข้อกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมันมีข้อสุดท้ายที่ดูอายตนาข้างนอกแต่นอกนั้นจะดูข้างในดูที่ตัวเรา ดูลมหายใจเข้าออกของเราดูอิริยาบถของเราอิริยาบถใหญ่ยู่เดินนั่งนอนของเราอยู่อิริยาบถย่อยของเราแล้วก็ดูผมขนและผนหนังเป็นต้นของเราดูธาตุส่วนประกอบต่างๆอาการสามสิบสองนั่นแหละจะ แ, แยกกาะกลุ่มใหม่เป็นดินน้ำลงไฟอากาศไม่ใช่เป็นดินน้ำลงไฟอากาศยังไม่เอานะฮะอากาศยังไม่แยกตอนนี้ พระากาศมันจะมีความเป็นเขาเรียกว่าอารูปกรรมฐานท่านก็จะนำไปแยกอีกตอนหนึง่งแล้วก็พถึงจุดหนึ่งปรากฏว่าใจมันไม่จางไม่คลายจากความกำหนัดความยึดติดในอารมณ์เหล่านั้นมันก็เข้าไปที่ป่าช้าเลย ก็ไปศึกษาจากศพของคนอื่นก็คืออาญตนะของคนอื่นแต่อย่าลืมนะว่าศพนั้นเมื่อก่อนที่ยังเป็นเป็นเนี่ยมันเป็นที่น่าใคร่น่าปรานาน่าพอใจของคนทั้งหลายเป็นที่รักเป็นที่ต้องการของคนมากอย่างี้เคยเล่าฟังเรื่องนางสิริมาที่พระพุทธเจ้าปล่อยให้เก็บศพทิ้งไว้ก่อน แล้วประกาศขายจนให้เปล่าเนี่ยไม่มีใครต้องการสุขพองขึ้นทุกวันแล้วก็พอได้โอกาสก็นำพระไปดูแล้วก็ศึกษาความสวยงามของร่างกายที่มันแปลเปลี่ยนไปเพียงแต่ว่าอายุไอุบญิญญาดับนันเอง ร่างกายอันเป็นที่ตั้งแห่งความน่าใคร่น่าปราถนาน่าพอใจก็แสดงอาการเผยหน้าผู้พังออกมาให้เห็นว่ากันตามความจริงทุกคนเราทุกวันคือ <c ười> ตื่นนอนทุกวันเราก็เห็นความปมติกูลของร่างกายรับประทาอาหารรับประทานอาหารทุกวันเราก็เห็นความปมติกูลของร่างกายาอนาน้ำทุกครั้งเราก็เห็นความปมติกูลของร่างกาย แต่ว่ามุมมองมันต่างกันคือเรามองด้วยตัณหาด้วยราคะแล้วด้วยอุปาทานมันก็นำไปสูออ่พบชาติในรูปแบบต่างๆ่ปวิธีของพระเจ้าก็คือให้มองให้มองความเข้าถึงความจริงตามที่มันเป็นดังกล่าว ผลพวกนี้จริงๆก็คือเราจะเรียกว่าอัตภาพของเราอัตภาพของคนอื่นเรือ่องยตนาภายในภายนอก ม, มูสัตว์ยุ่งเหยิงแล้วก็รกชัดคือตัณหาเนี่ยมันจะเกิดที่ตรงนี้คือตามปกติแล้วเนี่ยเราไม่ขามาพูดยาวๆ น, นะคือมันพูดยาวๆมันนาน ส่วนใหญ่ก็จะพูดในห้องเรียนเรียนกรรมฐานเรียนนิพธรรมอะไรแต่ไรเนี่ยเอามาพูดคือบนี้ที่จริงถ้าเอามาพูดในทางโทรทางวิทยุทางโทรทัศน์ก็คงจะเป็นประโยชน์น้อยนะประมันให้รายละเอียดเกินไป วันจันที่มาออกอากาศที่สถานีวิทยุแห่งนี้ามาจะให้เด็กเปิดฟังรายการธรรมะมาตลอดโดยเฉพาะรายการาจคชันวันนสิทธิ์ไวยะเสวีฐานาธทิบายอภิธรรมสับแสงเยอะมากอธิบายเก่งนะฮะคือหมายความว่าสำหรับเราเองก็ควังสบายแต่ว่าลองถามเด็กดูว่าเธอเข้าใจหรือเปล่าไม่เข้าใจ เพราะว่าคำแต่ละคำไปขวางเอาไว้ทำให้จิตมันสะดุดะเช่นคนทั่วๆไปเนี่ยเราใช้คำอายตนะภายในภายนอกนี่ก็ยุ่งแล้วนะไม่เข้าใจแล้วคืออะไรอะจิตมันสะดุดเพราะฉะนั้นเวลาสื่อสารเป็นสาธารณะมากเท่าไหร่เนี่ยภาษามันต้องง่าย คงเฉพาะเนื้อหาไว้อย่าไปยึดติดในพยัญชนะให้มากเกินไปก็จะยากตอนนี้พระตรักษาจาย์ท่านอธิบายขายายเห็นว่ามันจะเกิดตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นแต่ว่าในแง่ของความจริงอย่างที่ทรงแสดงในมหาสติปัฏฐานนยาวกว่า น, นี้นะฮะพระเจ้าทรงแสดงเองแต่นั้นคือแสดงแก่ภิกษุมันคล้ายๆกับเป็นธรรมนูนในการปฏิบัติ ศีล ส, สมาธิปัญญานะฮะปฏิบัติไตรทิขาเพราะว่าแต่ละข้อนั้นจะให้รายละเอียดมากอย่างในตรงเนี้ยมันอยู่ในกลุ่มสมุทัยนะฮะคือคือชัดชัดในที่เนี้ยที่จริงอริยสัจก็คือสมุทัยสัจโดยทรงแสดงให้ดูว่าตัณหาเวลาเขาจะเกิด เขาอาจจะเกิดที่อายตนาภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนาภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสปุถุฟ้าธรรมารมหรือเกิดที่วิญญาณคือความรู้รูปทางตารู้เสียงทางหูรู้กลิ่นทางจ ม, มูกรู้รสทางลิ้นรู้เย็นร้ อ, อนแข็งทางกายรู้ธรรมารมทางใจหรือว่าเกิดที่สัมผัสสัมผัส6กเหมือนกันนะฮะจากุสัมผัสเป็นต้นเนหรือเกิดจากสัญญาคือความจําได้หมายรู้ ร, รูปเสียงกินรถผุธตภาพ์อีกอะหมายความเป็นยังไงหมายความว่าให้เราสังเกตว่าตัณหาบางขณะเนี่ยมันเกิดจากอารมณ์ในอนดีตที่เราจำไว้แล้วก็นำมาเหนียน่ยวนึกตึกนึกปัญจิตมนุษย์เนี่ยคล้ายๆกับสัตว์ที่เคี้ยวเอื้องอะที่จริงในปากมันไมเมียมันสำรอกออกมาเคี้ยว เพราอารมณ์เป็นอดีตที่จริงเป็นของเก่าไกลกากระดูสมวนสมัยหนึ่งก็เรียกว่าปลุกผีคอมมอนิสต์ขึ้นมาคือเรปลุกผีขึ้นมาของตายแล้วอดีตเนี่ยมันตายมาแล้วแต่เราก็ปลูกขึ้นมาเนี่ยนึกถึงนึกเกิดกำนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีนะถ้าเป็นพวกนักประพันธ์เขียนหนังสือก็ดีไปหน่อยนังหากินได้แต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยขืนไปคิดมันก็เสียเวลา แต่เวลาในการคิดหรือสันเจตานาคือจิตที่มันจงใจเหนียวนึกเมื่อเกิดตัณหาได้หรือว่าเกิดจากตัณหาเองหรือเกิดจากใจไปตรึกไปนึกนะฮะเาเรียกว่วิโตกวิจารหรือว่ารงเรียงมาทั้งสิบระดับเรียงมาทั้งสิบระดับเพราะาเลยข้างนอกก็รกเยอะ แต่ว่าตัวข้างนอกเนี่ยมันไม่สำคัญหรอปรกปากกตามความจริงมันไม่สำคัญมันมีอารมณ์เป็นอันมากถ้าว่าท่านผู้ฟังลองสังเกตว่าเราได้เห็นได้ยินได้ฟังได้สุดรมได้ลิ้มได้ชิมได้จัดต้องแต่ไม่เคยเกิดกำนัดินดีอะไรเลยไม่เคยเกิดโลภะมีเยอะที่ไม่เกิดโลภะมีเยอะที่ไม่เกิดโทสะมีเกิดเยอะที่ไม่เกิดโมหะมีเยอะที่ไม่เกิดราคะ มันไม่จะเกิดตลอดเกิดตลอดคนก็เป็นโรคจิตกันหมดแล้วมันแสดงว่าไอ้จากข้างในเนี่ยมันไปเกิดกำหนดมันไปประเมินค่ามันว่ารูปนี้สวยนะเสียงนี้ไพเราะนะกลิ่นนี้หอมนะรสนี้อร่อยนะสัมผัสนี้น่าจับต้องนะเดี๋ยวตัวอย่างบางบางครั้งเวลเดินทาง คนขับรถคอยมักจะเปิดพิษุเปิดเพลงอะไรฟังนะฮะเกิถ้าเราทนไหวเนี่ยเราก็ก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องของเขาแต่บางทีเรารู้สึ ก, กอึดอัดลำคาญนเราบอกให้เปลี่ยนช่องใช่ไหมเปลี่ยนคลื่นใช่ไหมหรือบางทีก็บอกให้ดับไปไดเลยเพราะอะไรเพราะว่า ราไม่ได้อกมันให้อะไรมันได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาแต่เรานั่งไปทําใจสงบหรือว่ายกธรรมะขึ้นมาสักข้อยกเรื่องขึ้นมาสักข้อมองอะไรแล้วก็คิดไปมันก็ได้อะไรพอสงควรเพราะฉะนั้นเราใจนึกว่าตัวการข้างในเนี่ยจึงเป็นเรื่องใหญ่ พระอาหารหันต์นั้นท่านยังมีอายตนาภายนอกครบบริบูรณ์เช่นเดียวกับเราเนี่แหละแต่โรคชาข้างในท่านไม่มีไอ้ลกคข้างนอกไปแก้มไม่ได้ยิ่งพระเราไปแก้มไม่ได้ใหญ่เลยเพราะอะไรเพราะมันเป็นทรัพนะฮอันนี้คือจุดเด่นของพระพุทธศาสนา มีศาสนาต่างๆเป็นอันมากที่ศาสนิกของตัวเองได้รับองค์การจากสิ่งเคารพสักการะของตัวเองเนี่ยให้สามารถฆ่าคนนอกศาสนาได้แล้วก็สิ่งสูงสุดก็จะประทานรางวัลจากทรัพย์สมบัติของคนเหล่านั้นคือค่าริบทรัพย์ได้ผู้เงาค่าริบทรัพย์ได้ แต่ของเราไม่ได้เลยข้าก็ไม่ได้ริบซับ์นี่แตะไม่ได้เลยแม้แต่เกิดความอยากได้ขึ้นมาเนี่ยศีลก็เศ้ามองนะ่ะประเขนหยิบถั่วขึ้นไปแล้วก็จบไปมันก็เป็นจุดแข็งในฐานะของาศาสนาแต่ว่ากลายเป็นจุดอ่อนในสภาพสังคมที่มีความรุนแรงคือเอาตัวรอดยาก คเราลองนึกดูนะฮะว่าตอนกองทัพอิสลามเติกเนี่ยบุกเข้าไปในหมาทลัยนาราันธาปรากฏว่าเป็นกองทหารม้าแค่สองรอยต่นสองร้อยมาตัน น, นีมีพระอยู่ตั้งสนะี่ห้าพันเหรือถ้าหากว่าเป็นคนในาศาสนาอื่นไม่มีทางฆ่าก็ไดแ้แต่พอดีเป็นนักบวชของพุทธนักบวชของพุทธ แม้แต่คิดจะฆ่าเนี่ยมันก็ผิดแล้วเลยบร่อยเขานั่งตัดคอเฉยเลยก็บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์เนี่ยว่าเป็นคนแปลกเขานึกว่าเป็นทหารเข้าไปถึงปรากฏเราไม่ต่อสู้เลยปล่อยพวกเราตัดคอไปเฉยๆแล้วก็ก็ชื่นชมต่อพฤติกรรมของบรรดาชนก็อย่างนั้นเห็นแมมว่ามันเกิดจากคิเลก ข, ข้างใน ไม่เกิดจะกีิเลสข้างในคือถ้าคนอื่นแล้วเนี่ยสมมติว่าเป็นพุทธแล้วก็โกรธเป็นศึกสงครามไปรบแล้วปรากฏว่าเขาไม่ต่อสู้เราไม่กล้าไม่กล้าทำอะไรมันก็เหมือนกับกองทัพของพระเจ้าวิถุพภะท่านไม่เป็นบะสุกบาสึกอะไรหรอก แต่ว่าทหารในกองทัพเป็นอันมากที่พอเอาเขาจิงปรากฏว่าพวกศักรยะไม่ยอมต่อสู้เพราะกลัวจะผิดศีลผู้ทหารไม่กล้าไม่กล้าทำอะไรเลยแล้วมันก็เหมือนกับวันก่อนเนี่ยเขาพูดถึงอิงสาธรรมของท่านมหาธรรมการทีเดี๋ยวพูดถึงจะเอามาใช้กับศาสนาบางศาสนา มาบอก่าคุณอย่าลืมนะนั่นก็อังกฤษนะอังกฤษน่ยมันนับถือนิกายกรีกออโทดอกนิกายนันของของอังกฤษนั่นแหละก็พวกพวกโปตตนั่นแหละแต่เขาเรียกอะไรรู้สึกว่าออโทดอกเช ja ิด์ิง่นนะฮะเชิดเอิงแล่นก็ออโทดอกนั่นแหละไอ้พวกพวกเนี้ยพวกสุบะอโตตนน่ะ พระเยซูท่านสอนเมื่อเขาเสื้อนอกของเจ้าไปเนี่ยให้เสื้อไหนเข้าไปด้วยมันก็ตกแก้มซ้ายของเจ้าให้ยื่นแก้มขวาก็ตกด้วยแต่บางศาสนามันไม่เป็นอย่างนั้นนะไปคิดแบบปะหิงสาธ ร, รมไปนอนขวางให้รถทับเนี่ยก็ได้ทับหรอกนั่นคืออะไรมันอยู่จากภายใน มันตัวปัญหาที่เทวดาท่านยกขึ้นมาเนี่ท่านไม่ให้ความสําคัญกับตัวนอกหรอกแต่พระ อ, า, อาจารย์ท่านอธิบายในเชิงของวิชาการเพื่อเห็นว่าปัญหานั้นมันตัวตัญหากับวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งตัญหาทีนี้ปัญหาสําคัญว่าถ้าตัญหามันดับวัตถุเหล่านั้นยังอยู่แต่มันเป็นศักดิ์แต่ว่าวัตถุ สมาความรู้สึกนึกคิดของท่านเหล่านั้นมันกศักแต่ว่ารูปสักดิ์แต่ว่าเสียงสักดแต่ว่ากลิ่นสักดิแต่ว่ารสศักดแต่ว่าสัมผัสศักแต่ว่าเย็นร้อนออนแข็งมันไม่มีความยินดียินร้ายอะไรเพอถ้าเราไม่มียินดียินรายอะไรมันก็ไม่มีอะไรอะท่้นฟังอาจจะสังเกตว่าเทป ในวันพูดพระสุขเนี่ยบางคราวก็มีเสียงสุนัขเสียงนกอะไรเนี่ยคือในขณะที่อัทเทฟเนี่ยมันก็มีหมามันเห่ามีลูกหมาตัวนึ่งมันก็เห่าคือถ้าเราไม่ใส่ใจมันก็ไม่มีอะไรมันเป็นธรรมชาติของมันอะเราจะไปไล่ตีอะไรมันก็ไม่ได้ก็ปล่อยมันไป คือถ้าเราเข้าถึงธรรมดาแล้วมันไม่มีอะไรก็สักแต่ว่าเสียงอะ่นั้นเองแต่ทีนี้เราก็อยู่ในโลกอ่ะเขาก็เป็นเพื่อนร่วมโลกกับเราอ่ะบางวันาจจะได้เสียงนกมันร้องก็แสดงว่าอาจเทพตอนใกล้ค่ำนะฮะจะมีมีเสียงนกมาเกาะ อ, อยู่ที่ริมริมฝาข้างนอกเนี่ยก็มีสายไฟเยอะเลยแลแกก็กร้อง เราก็ลังอัดเสียงอยู่แกมาร้องก็ร้องก็เข้าไปแกก็อยู่ส่วนแกเราก็อยู่ส่วนเราเพราะนันปัญหาใหญ่ติ่งอยู่ที่ข้างในนะฮะไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกเพราะ้นข้างนอกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนในละเห็นไหฮะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนในละเลยอายะตนะ น, นอกนี่อายะตนะข้าง น, นอกนี่ไม่สอนในละเพราะละมันไม่ได้อะละมันไปไหนหอ่ะเราก็อยู่กับมัน่ะ มันก็เป็นดินน้ําลงไฟอากาศเราก็เป็นดินน้าลงไฟอากาศก็อยู่กับมันแต่เราไม่ยึดคือละไม่ได้แต่ว่าเราไม่ยึดเพราะว่ากิเลสเป็นเหตุที่ยึดเนี่ยเป็นเหตุที่อยากมันดับเมื่อดับกิเลสอยากดับไอเกียดยึดมันก็ดับเหมนตัณหาดับอุปาทานก็ดับอุปาทานก็ดับภพก็ดับภพก็ดับชาติก็ดับกระดับเป็นแทบไปเลยกิเลสภายใน เป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าวิธีแสดงของพระพุทธเจ้าในที่นีออ้ทรงแสดงในรูปของภาเวตาธรรมคือแทนที่จะพูดเรื่องสมุทัยนะฮะตัวปัญหานีท่านไม่พูดคือสรุปชัดมันเป็นตัวปัญหาเป็นไม่ใช่เป็นสาเหตุของปัญหาปสาเหตุของปัญหาพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงถึงสาเหตุที่ขจัดปัญหา ก็คือไปนเน้นที่มักกะสันแต่ว่าเทวดาที่ที่ท่านมุ่งหมายเนี่ยตอนนี้กําลังพูดประเด็นที่เทวดาท่านมุ่งหมายแล้วพระอัจฉริยะาจารย์ท่านก็อธิบายขยายความออกไปว่ามันก็ยุ่งเหยิงนะฮะข้างในข้างนอกเนะี่ยมันก็ยุ่งเหยิงทีนี้มันมีคําอยู่คำหนึ่งเขาเรียกประชาที่ต่อมาเป็นประชาชนอะประชาชนมันเป็นภาษาสันสกฤต ภาษาบาลีเนี่ยมาจากปราชา ة. ก็แปลว่าหมู่สัตว์ด้วยกันประชาชนก็คือหมู่สัตว์ที่เกิดมานะเราเนี่ยก็หลุตายแล้วแต่ยึ่งแปลว่าหมู่สัตว์ที่เกิดมานึกดูแล้วเราก็นะ่าเอ็น ด, ดูตัวเองเก่ามีวันก่อนเนี่ยบรรยายนึกสาปัญญาโท นีท่านผู้หนึงก็เป็นอาจารย์นะฮะแล้วเขาก็ติงคําว่าสัตว์บอกว่าสัตว์เนี่ยเป็นคํารวมนะเป็นคํารวมหมดแหละชีวิตใดก็ตามแต่ยังคล้องติดอยู่ในโลกเนี่ยมันเป็นสัตว์ทั้งนั้นแหละผลสัตว์ไม่ใช่คําหยาบแต่ว่าเราไปคิดว่าสัตว์ก็คือสัตว์ดิลิชาน เต่สัตว์ในภาษาของพระเนี่ยภาษาจริงๆเขานะฮะภาษาจริงๆเขาเนี่ยมันไม่ใช่หมายถึงผู้ข้องติดอยู่ในโลกทั้งหลายเนี่ยพวกนี้จริงๆก็คือประชาก็คือมูสัตว์เพราะว่าเพราะยังข้องติดอยู่ในโลกแล้วทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ภายในใจแก่ก็มีตนาธแต่พระอราจารย์ท่านก็บอกว่า มูสัตว์แม้ทั้งหมดนี้ก็ยุ่งเหยิงแล้วด้วยชัดคือตัณหาตุตัณหานั้นผูกพันไว้แล้วก็เพราะว่ามูสัตว์ตุตัณหาผูกพันแล้วอย่างนี้ท่านั้นข้าพเจ้าจึงขอทูลถามพระองค์ท่นานใช้คำว่าตังตั ง, ตงโกตะมาปุตฉามิโกอิมังวิชะตะเยชะตังคือฉันไปรอบมางคือใายฉันไปรอบมากนะ คือันบางทีเขาก็เล่นคำแล้วฟังลาเพราะมันมีฉันอยู่บทหนึ่งที่ก็มีความยาจริงๆก็สองวันทัดนะแต่ว่าคือไปอ่านเจอเข้าปั๊บนี่มันจำแล้วมันชอบมากท่านบอกว่ายะถายะถายะถะระเพตอาตถัง ตถาตถาตัทธปรกักกเมย์ยประโยชน์พึงเกิดขึ้นในที่ใดๆโดยวิธีใดๆ ใ, ให้บุคคลใช้ความพยายามในที่นั้นๆโดยวิธีนั้นๆโอ้มันยิ่งใหญ่มากเป็นพระพุทธํรรมรัดที่ยิ่งใหญ่มากมันครอบคลุมไม่หมดเลยไม่มีรูปแบบไม่ต้องยึดติดในรูปแบบ รูปแบบยังไงช่างมันคุณทำยังไงก็ได้ให้มันเกิดประโยชน์แต่ทีนี้ปัญหาตัวเนี้ยเราบางทีเราไปยึดติดในรูปแบบต้องอย่างนี้เท่านั้นอย่าหยุนไม่ได้ยิงยุ่งแล้วทาไม่ได้แล้วก็สังคมเราส่วนใหญ่เนี่ยมันจะยึดติดในแบบฟอร์มต่างๆแล้วก็อยู่เสร็จแล้วก็อยู่จนชินชินก็นึกว่าอย่างนี้ดีแล้ว วันก่อนก็มีพระปกุกศิษย์เป็ยาโทรทั้งคู่นะก็โทรมาคุยเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์บอกว่าพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ถ้าจะแก้เนี่ยควรจะแก้ตอนนี้แหละมันง่ายแก้ง่ายแล้วก็อุณนึงก็บอกว่ามสท่านไม่แก้หรอกท่านบอกว่าดีแล้ว บอกว่าท่านคิดว่าท่านเป็นมอสอชั่วนิรันดรนแต่เราต้องคิดถึงศาสนาเราไม่ได้คิดถึงมอสอมอสอแค่คนยี่สบอดคนนั่นเองแต่เราอย่าลืมว่าศาสนาองค์กรศาสนานี่ซึ่งมีชาวพุทธอยู่ตั้งเก้าสิบเก้าจุดเท่าไหร่สี่สีู่นย์สี่เปอร์เซนตคือพระเป็นประากรกระจ้อยร้อยเล็กนิดเดียว เที่ยวไครอบงมพรำศาสนาไว้ไม่ได้ศาสนาต้องชาวพุทธต้องช่วยกันดูแลช่วยกันรักษามันเป็นเรื่องของพุทธบริษัทไม่ใช่เรื่องของพระสงฆ์บัณฑิตพระราชบัญญัติมันต้องออกมาในรูปของการบริหารองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งหมายความว่าในแวดวงของชาวพุทธเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็เป็นเครือข่าย จะร่วมกันดูแลร่วมกันรับผิดชอบพระศาสนาคือเป็นความคิดแบบระบบราชการไงแต่มายังมองมานานแล้วว่าพวกป่าไม้พวกแม่น้ำพวกลำทานพวกอะไรแต่ อ, อะไรต่างๆให้ราษดอนเขารู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของตเจ้าของทินเน่เจ้าทินน่ะ ให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของด้วยอันนี้บางทีเราก็มองแล้วก็สลดใจนะตัดไม้ทำลายป่าพัางภูเขาลงเป็นเครึ่งเขาไอ้กำนันผู้ใหญ่บ้านไม่รู้อะไรเลยอนะไเงยอยู่กันเยอะแยะไปหมดเลยทำไมไม่รู้อะและทำไมไม่ดำเนินการเพราะว่ามันยิติดในรูปแบบโอ้ไม่ใช่นากที่ นี่เป็นงานของตรงนั้นตรงนี้ในเขตมันตรงนั้นตรงนี้อะไรต่างๆแต่ทีนี้ถ้ามองไปที่ประโยชน์ขององค์รวมของความเป็นชาติบ้านเมืองเนี่ยไม่ได้คิดว่าเราจะได้อะไรแต่คิดว่ า, าศาสนาจะได้อะไรพุทธาศาสนิกะชนจะได้อะไรองค์กรพุทธของโลกเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไร นันความคิดแบบมสที่ท่านคิดอย่างเงี้ยท่านคิดแต่เรื่องท่านท่านไม่คิดเรื่องศาสนาปัญญาคิดเรื่องศาสนาต้องคิดอีกเรื่องนึงเลยศาสนาพุทธเกิดขึ้นเพื่อบูชนาฮิตายะบูชนาสุขายะโลกานุกรมปายะฮิตาย ะ, ะ, ะสุขายะเดวมนุสานังเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุข แกสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเพื่อเป็นการนุทรณ์ต่อชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อกุลเความสุขแกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั่นคือพระพุทธศาสนาพระันเวลาเนี้ยเราจะเห็นว่ามันเกิดมาจากอะไรเกิดไปจากพระวาตานะคืออยากเป็นอยากเป็นแล้วก็ ไม่อยากทําเพราะว่าถ้าเปลี่ยนวิธีการบริหารเปลี่ยนองค์กรขยับขยายองค์กรเพิ่มปริมาณคนปริมาณงานเข้ามีการเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรมต้องศึกษาใหม่เนื่อยไม่อยากทําแต่อยากเป็นนี่คือปัญหาในบ้านเมืองเราไม่ใช่เฉพาะมาทเทอมาคามมันมีปัญหาหมดเลยคลุมพื้นที่ไว้เพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าตันหาเนี่ยมันตอบสนอง มันเป็นรกชัดที่มีอยู่ภายในต้นทุนเยอะต้นทุนราวะตระหนานี่มันเยอะต้นทุนกรรมมตระหนัาวัตระหนานี่มันเยอะต้นทุนสูงแต่ว่าทุนทางวิรยิยะซึ่งท ร, รเนี่ยมันเป็นวิรยิยะเป็นสัมมาวยามะเรามีขี้เกียจเยอะเห็นแก่ตัวเยอะเห็นแก่พักพวกเยอะเห็นแก่พักพอนอยู่สบายสบายเยอะ ันก่อนนี้มีตรงที่เขาโทรมาเขาเป็นรักษาการเจ้าวาดเปลีป่ยนแปลงในวิธีชีวิตเขาบ่นว่าเอ๊ะทำไมปัญหาเรื่องในตัวเองเดือดร้อนอย่างนี้นะมีเรื่องเยอะเหลือเกินกอยากจะลาออกแล้วบอกว่าไม่ได้อยู่ไปค่อยเลิกจนตายแล้วกันแต่ยังทํางานได้แต่มันต้องทําอะมันไม่ใช่อยากเป็น แล้วบางครั้งเนี่ยเราต้องการจะทำงานตรงเนี้ยมันไม่มีที่ให้เราทำไม่มีสถานที่เราเยียบก็อย่างนี้อย่างที่เอามาออกมาตั้งศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนี่ยคือเราไม่มีที่ทำงานแต่เราก็อยากจะทำงานเราเราเป็นหัวเป็นใจพระศาสนาถ้าเราจะตัดช่องน้อยแต่พอตัวเราก็ไปแล้ว คือถ้าไม่คิดถึงศาสนาเนี่ไม่ได้ติดติดอะไรเลยนะฮะคือคือไม่ได้คล้องติดอะไรอยู่ในวัดเลยคือพร้อมที่จะใหญ่ จ, จับจีวรใส่กระป๋าไปได้เลยแต่ถ้าเราเข้าป่าจะคนหนึ่งงานเยอะที่ใครยังไม่ได้ทำํำเราอยู่ในวิสัยทําได้เราก็ดนินรนจะทำแต่ทีนี้มาต้องการจะขยายงานปริมาณงานออกไป แล้วให้สืบต่อให้มีคนสืบต่อเขาเราก็ตายเราไม่กี่วันเราก็ตายแล้วจริงตอนนี้เป็นโรคหัวใจอยู่ด้วยตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันก็น่าถอยหลังแล้วเพราะฉนั้นเราก็อยากจะมีศูนย์ส่งเสริมพระคุทธศาสนามีที่ทําการมีพนักงานเจ้าหน้าที่มีระบบงานในการบริหารจัดการมีงบประมาณในการบริหารงานแล้วก็สามารถขยายขึ้นเป็นองค์กรเป็นสถาบัน เน้นไปทางการศึกษาการพัฒนานักเผยแพร่แล้วก็ทำงานทางานในด้านเผยแพร่แล้วก็ดูแลรักษาพระศาสนาแน่นอนว่าคนเหล่านั้นเมื่อผ่านระบบการศึกษาการในิบัติการการสัมผัสผลต้องเกิดนะฮะเกิดขนาดไหนก็ต้องเกิดแล้วเพื่อให้มีจิตปัญญาที่จะทำงานด้านเผยแพร่ โดยมองว่าประโยชน์จะพึงเกิดขึ้นในที่ใดๆโดยวิธีใดๆแล้วก็พยายามใช้ความพยายามในที่ด้านนั้นโดยวิธีด้านนั้นพระพุทธภาษิตัวเนี่ยมั น, ม, นมันมีสร้างแรงบันดาลใจมากสร้างแรงบันดาลใจมาวาเออเราไม่จําเป็นจะต้องไปใช้พระราชบัญญัติอะไรเราก็สร้างขึ้นมาเป็นศูนย์ส่งเสริมศูนย์พิทักษ์แต่พอเอาก็จริงผอไม่มีสถานที่เนี่ขยับตัวไม่ได้เหมือนกัน อยู่วัดประบอดมายี่สิบกว่าปีแล้วนะงานของศูนย์นี้ขยับตัวยากที่สุดเพราะดีไปอยู่ในวัดที่มีสังฆราชเลยมีปัญหาใหญ่เพียงก็ฝันไว้นะฮะญาติโยมต้องช่วยด้วยว่าศูนย์ส่งเสริมสํานักงานศูนย์ส่งเสริมศาสะนาต้องเกิดขึ้นอย่างน้อยหนึ่งแห่งต้องฟังแล่ไร เสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีวัะุมในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงตอนนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงองงามไปบุ์ในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี